สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อพระเยซูตอนที่หกสิบนะครับตอนย่อยคือรับไม้ต่อนะครับเราพบ ว, ว่าพระคัมภีร์ได้เขียนถึงการรับไม้ต่อของพระเยซูจากยอห์นในมัทธิวบทที่สี่ข้อสิบสามถสิบเ็ดนะครับจากบันทึกของมัทธิวเรารู้ว่าพระเยซูเสด็จจากนาซาเลสมาอยู่ที่คาเปอร์นาอุมซึ่งอยู่ริมทะเล ทะเลนี้ก็คือทะเลแกลิลีนะครับมัทธิระ บ, บุว่าคาปโนโอุมนั้นอยู่ในเขตแดนของเศบุลุนและนับทาลีพี่น้องครับเราทราบนะครับว่าบรรดาลูกชายทั้งหลายของยาโคบนะครับได้รับดินแดนแห่งพันธสัญญาก็คือแผ่นดินขณะอันซึ่งวันหนึ่งจะได้ชื่อว่าอิสอราเอลก็ผ่านไปหลายร้อยปีนะครับอิสอราเอลในสมัยพระเยซูนั้นก็ได้รับชื่อว่าเป็นปาเลสไตน์นะครับ ผู้ที่บันทึกพกิติคุณก็ยังระ บ, บุดินแดนและเผ่าพันตามชื่อของตระกูลหรือเผ่าที่คนชาติอิสราเอลสิบสองเผ่านั้นครอบครองอยู่ซึ่งสืบเชื้อสายต่อๆกันมาคัปเดนอุมนะครับอยู่ในเขตแดนของแคว้นเซเบรุนและนับทธลีหรือที่เรียกว่าเผ่าเซบบรุนและนับทาลีซึ่งเป็นบุตรชายทั้งสองคนของยาโคบยาโคบเคยทานายนะครับว่าเขตแดนของเซเบรุนนั้นจะต้องอยู่ริมทะเลและเป็นท่าจอดเรือ ซึ่งคำทานายของยาโคบนั้นอยู่ในปฐม ก, กาลบทที่49ข้อ13นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคาเปอร์นาอุมหรือดินแดนที่พระเยซูนั้นได้เสด็จมาอาศัยคาเปอร์นาอุมนั้นเป็นศูนย์บัญชาการการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและปฏิบัติมวลชนอยู่ในแคว้นเยบุรุนและนับทาลีนะครับคนของตระกูลนับทาลีนั้นชื่นชมอยู่กับ ชีวิตกลางแจ้งในงกระเพาะทะเลสาบจะลืมนะครับว่าทะเลสาบแกลลี่นั้นก็มีชื่ อ, อชื่อหนึ่งว่าทะเลสาบคินเนลเลตนะครับจริงๆแล้วมีสี่ชื่อพี่น้องคงจะจําได้นะครับก็จะมีเนินเขาภูเขาป่าไม้หุบเขาวสวยงามมากครับถ้าใครเคยไปท่องเที่ยวหรือถ้าท่านศึกษาที่ดินแดนแห่งพันธสัญญาก็สวยนั้นเราจะพบว่าเราจะมีเวลาที่จะลงเรือไปนะครับแล้วก็ชมทะเลแกลลีและ เมืองต่าง ๆ, ๆที่อยู่ตั้งอยู่บนทะเลกะรีนั้นที่น้องครับไม่ใช่เหตุบังเอิญนะครับที่พระเยซูทรงเลือกคาเปอร์นาอุมนะครับคาเปอร์นะครับแปลว่าหมู่บ้านนาอูมนั้นมาจากชื่อของผู้เผยพรวจนะนาหูมนะครับก็คือเป็นหมู่บ้านของผู้เผยพระวจนะนาหูมนั่นเป็นความหมายของชื่อนะครับและ การที่พระเยซูเลือดขับปนุ่มนั้นก็เป็นไปตามคำพยากรครับคำพยากรณ์ในธรรมอิสยาห์บทที่เก้าข้อหนึ่งข้อสองครับบันทึกไว้แควนแควนซาบุรุนและนับะลีทางข้างทะเลฝากแม่น้ําจอแดงข้างโน้นคือการีแห่งบรรดาประชาชาติประชาชนผู้นั่งอยู่ในความมืดจะได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่และผู้ที่นั่งอยู่ในแดนแลง่งเงาแห่งความตายก็มีความสว่างขึ้นสองถึงเขาแล้ว นะครับเปรียบเทียบกันในพระธรรมมัทธิวก็เช่นเดียวกันครับมัทธิวอยู่ในบทที่สี่ครับพี่น้องครับเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากนะครับที่คำพยากรในพระคัมภีร์เดิมซึ่งเผยโดยผู้เผยจนละหลายร้อยปีก่อนพระเยซูเกิดนะครับประมาณเจ็ดแปด้ยปีก่อนพระเยซูเกิดและต่อมาภายหลังก็เป็นจริงตามนั้นมัทธิวนั้นเห็นว่าพระราชกิจของพระเยซูนั้นเป็นพระราชกิจแห่งความสว่างครับ ซึ่งจะสง่งส่งแจ้งลงมาแก่ประชาชาติหนึ่งประชาชาตินั้นก็คือประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของโรมันในสมัยนั้นแท้ที่ยิงแล้วชนชาติอิสราเอลนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของชนชาติอื่นๆมาตลอดประวัติศาสตร์ของตนนะครับยอห์นก็รู้สึกคล้ายคลึงกันในพระธรรมยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่เก้านะครับ ระบุว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นความสว่างแท้ซึ่งทําให้มนุษย์เห็นความจริงได้พี่น้องครับในพระธรรมยอห์นบทที่สิบสองข้อสี่บหกก็เช่นเดียวกันครับพระเยซูกรัสว่าเราเข้ามาในโลกนี้เป็นความสว่างพูดง่ายงงก็คือว่าเราหรือพระเยซูนั้นเป็นความสว่างของโลกเพื่อทุกคนที่วางใจในเราจะไม่ได้อยู่ในความมืดแต่จะมีความสว่างแห่งชีวิตพี่น้องครับ ก่อนที่เราจะศึกษาเกี่ยวกับพระดารัสสอนของพระเยซูอันเป็นเรื่องราวของความสว่างแห่งชีวิตเราจะต้องเข้าใจนะครับว่าเหตุผลที่พระเยซูนั้นได้ส่งเลือดคาเปอร์นาอูมที่อยู่ในแคว้นกาลิลีนะครับอยู่ในแคว้นกาลิลีหรืออยู่ในส่วนเหนือของประเทศอิสราเอลนะครับก็อยู่ในเผ่าเป็นที่ดินของเผ่าเสบูรุลและเผ่านับตรีนั้นแท้จริงแล้วเนี่ยมีเหตุผลอีกประการหนึ่งครับก็คือการ รับไม้ต่อรับไม้ต่อจากใครครับรับไม้ต่อจากยอนเดอะแบทิสนะครับเข้าสังเกตหลักฐานในเพื่อนพีที่ได้เขียนไว้ น, นะครับในมัทธิวที่สี่ข้อสิบสองและมารัโกก็เช่นเดียวกันครับหลายๆครั้งเรามองข้ามความสําคัญเรื่องนี้ไปเพราะดูเหมือนว่าจะไม่เข้ากับบริบทเท่าไหร่แต่แท้จริงแล้วมัทธิวและมารัโกนั้นไม่ได้เขียนเกี่ยวกับภารกิจของพระเยซูในแคว้นอยู่เดียวนะครับก่อนหน้านั้นไม่ได้เขียนเลยนะครับ ยอนก็อยู่ที่นั่นด้วยและเห็นว่าสำคัญครับก็จึงบันทึกคำสนทนาต่างๆของพระเยซูที่อยู่ในแคว้นยูเดียและแคว้นเซมาเรียก่อนที่จะขึ้นมาถึงแคว้นกาลิลีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าขณะที่เราได้อ่านในพระธรรมยอนนะครับเราจะเห็นว่ามีการแต่งงานที่หมู่บ้านคานานะครับและพระเยซูก็คุยกับนิโคเดมัสนะครับและพระเยซูก็คุยกับผู้หญิงชาวเมาเรีย แต่ว่ามัทธิวนั้นไม่ได้บันทึกเช่นนี้มัทธิวนั้นขึ้นต้นบันทึกโดยกล่าวถึงลำดับวงวันของพระเยซูตั้งแต่พระรา ม, มาจนถึงพระเยซูนะครับแล้วก็เขียนเรื่องราวโยเซฟทูตสวรรค์การกำเนิดของพระเยซูนะครับมัทธิวไม่ได้บอกเล่าเรื่องคนเลี้ยงแกะมาเฝ้าพระกุมารแต่เล่าเรื่องนะักปราดโหราจาร์หลังจากนั้นมัทธิวก็บันทึกถึงเรื่องของยอนผู้ให้บัพติศมาพระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอนนะครับซึ่งเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับ พระเยซูทรงถูกมารทดลองในจินตวกันดานมัทธิวก็บันทึกว่าในข้อ4ครับบทที่4ข้อ12นะครับครั้นพระเยซูทรงทราบข่าวยอนถูกจำไว้แล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังแคว้นเ ก, นกลิลีเพื่อนครับบันทึกสั้นๆในบทที่4ข้อ12ของมัทธิวทําทให้เรารู้ว่าข้อความเนี้ยเป็นข้อความที่สําคัญมากครับเพราะอะไรครับเพราะว่ายอนถูกจำไว้แล้ว หมายถึงยอนถูกจับขังคุกนะครับเปเยซูรับงานต่อจากยอนนั่นเองเราจะเป็นต้องทราบว่างานของยอนผู้ให้บัปเทศมานั้นเสร็จสิ้นลงแล้วครับเมื่อเปเยซูเสด็จมาประทับที่แกลลีลีพี่น้องครับในข้อที่สิบแปดของพระธรรมมัทธิวที่สี่นะครับก็กล่าวถึงเนื้อความที่เปเยซูเทศนาอันเป็นความสว่างแห่งชีวิตเปเยซูตรัสว่าจงกลับใจเสียใหม่เพราะแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วพี่น้องครับ คำพูดที่เปเยซูตรัจงกับใจเสียใหม่เพราะแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วพี่น้องคุ้นคุ้ น, นไหมครับเป็นคําพูดของใครครับคําตอบก็คือเป็นคําพูดของยอนผู้ให้บัพติศมาหรือยอนเดอร์แบทิสต์นั่นเองที่ท่านเทศนาเช่นนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะไปที่ไหนท่านเนื้อหาคําเทศนาก็คือจงกับใจเสียใหม่เพราะแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วพี่น้องครับพระเยซูสืบท อ, อดงานของยอน เทศนาเรื่องความเดียวกันครับเชื่อแน่ว่ายอนจะต้องชื่นชมินดีแน่ครับที่พระเยซูทรงสารต่องานของเขาโดยเทศนาเรื่องการกลับใจใหม่เหมือนกับเขาเพียงกับมาระโกก็บันทึกเรื่องราวเรื่องราวเช่นเดียวกันนี้แล้วแถยังเสริมรายละเอียดยิ่งขึ้นนะครับในมาระโกบทที่หนึ่งข้อสิบสี่บันทึกว่าครั้นยอนทุกอายัดแล้วพระเยซูได้เสด็จมาอย่างแคว่งกาลิลีทรงเทศนาประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าและตรจดว่า เวลากําหนดมาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วจงกลับใจเสียใหม่และเชื่อข่าประเสริฐเถิดที่น้องครับในการรับใช้พระเจ้าของพระเยซูเราจะเห็นนะครับว่าการรับไม้ต่อรับมอบไม้ต่อจากยอนครับนี่คือบทเรียนของเราในเช้าวันนี้หลายๆครั้งนะครับเราจะต้องมีวาระและเวลาที่พระเจ้าได้กําหนดไว้เราอยู่ในแผนการของพระเจ้าครับหลายๆครั้งเราจะต้อง รับไม้ต่อจากมิชชันนารจากบรรพชนนะครับจากผู้รับใช้รุ่นพี่แล้วมาถึงพวกเราแต่นี่คือการรับไม้ต่อท่าทีของเราก็คือเราจะต้องเรียนแบบพระเยซูครับก็คือรับไม้ต่อโดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนแน่นอนและไม่หนีจากวัตถุประสงค์นั้นและในขณะเดียวกันนะครับเราจะต้องรับไม้ต่อด้วยความศรัทธาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่าน อาเมน